รมทั้งสนี่คือเรื่องราวแห่งพรามสี่คนสมเวทจีวานและบุชพวกเขาอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆทั้งสี่คนเป็นนักเรียนของป่าที่อยู่ในป่าปรานั้นเป็นคนเรียบง่ายแต่ปัญญาสูงมากพรามเคารพอาจารย์ของพวกเขา ทุกวันพวกเขาจะฟังอาจารย์อย่างตั้งใจมากนักเรียนของข้าทุกคนน่ะสามารถมีปัญหาทั้งนั้นแต่ทักษะอย่างเดียวมันช่วยเจ้าไปได้ไกลเจ้าต้องหัดใช้มันอย่างฉลาดสมเวสกับจีวานเรียนรู้ทักษะหลายอย่างเวสสามารถรักษาแผลได้โดยไม่สัมผัสมันสมสามารถซ่อมหม้อที่แตกแล้วได้ จีวานสามารถเอาใบไม้ที่ตายแล้วกลับไปติดกับต้นไม้ได้แต่บุชนั้นเป็นคนหัวชาที่สุดเขาทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้เพื่อนสามคนจะล้อบุชอยู่เสมอไม่เอาหนะ้าเจ้าหมอสซ่อมซิซ่อมตัวเองอาาบุชไดเรียนรู้ทักสมใหมแล้วเขาคกรจะมอที่แตกได้ด้วยนะ แต่มอนั่นนมันยังไม่ได้ซ่อมตัวเองเลยมอดที่น่าสงสารแต่บุชก็ไม่เคยบ่นท่านอาจารย์ตามันสำนึกแปลว่าอะไร ง่ายมาสามัญสำนึกก็คือเมื่อเราคิดก่อนจะทำํำวันหนึ่งสมเวทกับจีวานตัดสินใจจะเดินทางออกนอกหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เล็กไปแล้วเราไม่มีทางเป็นคนที่มีปัญญาสูงที่สุดถ้าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเราควรจะเดินทางเพื่อความรู้ที่มากขึ้นก็เห็นด้วยนะ ตอนนี้เราได้เรียนรู้ทักษะทุกอย่างแล้วเราควรจะเดินหน้าต่อไปแล้วมูส์ล่ะเราควรจะบอกเขาไหมไม่เขาโง่จะตายไรประโยชน์เขาจะเป็นภาระให้เราอ่ะไม่นะเราแข็งแกร่งกว่าเขาเราต้องปกป้องเขามันเป็นหน้าที่เราแล้วควรจะเชิญเขาไปกับเราด้วยพวกเขาเก็บเสื้อผ้ากับอาหารและเตรียมออกเดินทาง จำเอาไว้นะเด็กๆคนฉลาดนั้นจะคิดก่อนทําเสมอเราจะจําเอาไว้ครับท่านอาจารย์เราจะจําไว้ครับท่านอาจารย์เราจะจำเอาไว้ครับท่านอาจารย์เราจะจําไว้ครับท่านอาจารย์ทัจจ้งสบอกลาท่านอาจาร ย, าาาารย์หลังจากเดินได้ครึ่งวันพวกเขาเหนื่อยและอยากจะพักผ่อน เรามากินอาหารเที่ยงกัทีนนี่นะคุณชลอดจะเก็บพลังงานก่อนเดินทางเสมอว่าหลัที่พวกเขาจะนั่งลงบนหินบุชก็เห็นอะไรบนพื้นโอ้นั่นอะไรนะโอ้บุชตอนนี้เจ้าจะกลัวก็กระดูกด้วยแล้วหรือเนี่ยใครอยากจะรู้นี่เป็นกระดูกใครข้าว่านะมันเป็นกระดูกของสิงโตแน่แนะ มันน่าจะตายเพราะว่าความหิวสิงโตเหรอกอยดูโครงสร้างของมันสิข้ามั่นใจว่ามันคือกระดูกของสิงโตแน่แน่โอ้เดี๋ยวทาไมข้าไม่ลองทดสอบทักษะของข้ากับมันละ่ะข้าจะได้ฝึกวิชาด้วยข้าจะเอากระดูกมันมาประกอบกันเป็นรูปสิงโตอะไรนะก่อนที่ใครจะพูดอะไรได้สมก็เริ่มท่องมน หลังจากนั้นก็มีแสงสว่างออกมาจากกองกระดูกมันประกอบตัวกลับเป็นกระดูกสิงโตพี่น้องทั้งสามแปลกใจมากเห็นไหมข้าบอกแล้วพวกเจ้าจะต้องมีปัญญาเท่าข้าถึงจะทำแบบนี้ได้เจ้าคิดว่าทักษะเจ้าเจ๋งที่สุดเหรอก็จะทำให้สิงโตตัวนี้มีเนื้อหนังได้มันจะมีขนหนังเล็บฟันทุกอย่างในไม่กี่นาทีเลย เล็บฟันเวทอย่านะแต่เวทไม่ยอมฟังตอนนี้เขาเริ่มท่องมนอยู่ดีๆกระดูกก็มีตาหนังขนเล็บและมากไปกว่านั้นตอนนี้มันเป็นสิ่งโตที่นอนอยู่บนพื้นแล้วสวยงามใช่ไหมล่ะน่ากลัวจะตายทำแบบนั้นทำไม เพาว่ามีแต่ค่าที่ทําได้ด้วยทักษะของข้าข้านําอะไรกลับมากอดได้สิงโตที่มันเสียหนังกับร่างกายไปข้าก็าเอามันกลับมาเช่นที่สุดเลยใช่ไหมทักษะของข้านะี่เจ้าคิดว่ามีเจ้าหรอที่ทําอะไรแบบนั้นได้เจ้าไม่รู้หรอว่าข้ามีทักษะอะไรข้าน่าชุบชีวิตสิงโตได้นะอะไรนะใช่แล้วบุตร ต้องคิดว่าใครเราเป็นคนที่มีปัญญากระจ่างที่สุดเขาตัดสินใจไม่ได้หรอกเจ้าดีแต่พูดจีวาลไหนเอาซิแสดงให้เห็นหน่อยว่าใครมีปัญญามากที่สุดเออข้าไม่รู้ว่าใครมีปัญญาที่สุดแต่ข้ารู้ว่าใครแกร่งที่สุดสิงโตไงอย่านะจีวานอย่าชุบชีวิตมันขึ้นมาเลย ในขณะที่เพื่อ น, อนแสดงฟิมือเ้้าไม่อยากทะให้ขาแสดงฟิมืองั้นเหรอแลวเจ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนอีกนะเว้ยนะพูดถูกเราไม่ควรจะพาเจ้ามาทิ่นนี่เลยแต่ท่านอาจารย์บอกว่าเจ้าจะสอนว่าอาจารย์พูดอะไรระเจ้าที่ไม่มีทักษะอะไรเนี่ยนะเจ้าไม่เชื่อใจเพื่อนเจ้าสินนะเจ้าพูดถูกดีว เขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะอะไรเลยเขาจะรู้ความสําคัญของการฝึกได้ยังไงแค่ราะว่าเจ้าไม่มีทักษะเนี่ยเจ้ากลับไม่อยากให้เราแสดงฝีมือละเจ้าอิดชาเราใช่ไหมอ่ะอิดชาเราน่ะสิโอ้ข้ามีทักษะหนึ่งที่จะช่วยชีวิตข้าเอาไว้ได้สามันสําำนึกก็คือการคิดก่อนทําโอ้โอ้ อย่านะอย่าอย่าโกรธข้าข้าจะไม่หยุดเจ้าล่ะแต่ก่อนที่เจ้าจะทําอะไรให้ข้าปีนต้นไม้ก่อนถ้าสิงโตกินข้าข้าจะบอกเจ้าได้อย่างไงว่าใครมีทักษะที่สุดเฮเจ้านอามันพวกขี้คลาดเจ้าต้องเผชิญกับทุกสถานนักการข้าไม่โกหกเพื่อนข้าร็อกแต่ข้าสู้สิงโตไม่ได้และการอยู่บนต้นไม้ข้าเห็นภาพที่ชัดกว่า ข้าจะได้ตัดสินใจว่าใครทักษะเยอะที่สุดบุชเริ่มปีนขึ้นต้นไม้ใกล้ๆจีวานก็เริ่มท่องมนแล้วจากนั้นไม่กี่นาทีแสงสว่างก็ปรากฏบนตัวของสิงโตและมันก็เริ่มลืมตารามทั้ง3ามกระโดดอย่างมีความสุขอตอนนี้พวกเขาได้พิสูจน์ทักษะของตัวเองแล้วแต่พวกเขายิ้มไม่ออกสิงโต ล, ลุกขึ้นและทำรามอย่างโกรธ วิ่งสิงโตฟื้นแล้วหนีเอาชีวิตรอดทั้งสมคนกลัวมากจนวิ่งไม่ออกสิงโตกระโดดทุกทีเดียวทั้งสามคนทำอะไรเพื่อช่วยตัวเองไม่ได้สิงโตกินพรามทั้ง3มทีละคนบุชนั่งบนต้นไม้ได้แต่มองทุกอย่างหลังจากสิงโตไป บูชเลยลงมาเขาเห็นว่าเพื่อนเขาเหลือแค่เศษกระดูกพวกเจ้ามีปัญญาแต่ถ้าพวกเจ้าฟังคำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคงไม่เป็นแบบนี้จำเอาไว้นะเด็กๆคนที่ฉลาดคือคนที่คิดก่อนจะทำ